เพื่อนประโยูนขาวจระจอทั้งหลายวันนี้มาฟังทั้งบทพระอริยเจ้าบทนี้ให้นามว่าบทพระอริยเจ้าจะพูดถึงความเป็นพระอริยเจ้าโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติพระกรรมฐานถ้าผู้สอนฉลาดในการสอนหรือว่าผู้ปฏิบัติฉลาดในการปฏิบัติ ก็ควรจะเริ่มตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติระหวังผลกนคือพระนิพพาน้วยอย่างน้อยเป็นพระอริยเจ้าเบื้องตน้นที่บรรดาท่านอย่างหลายหลายท่านจดหมายมาที่วัด <c oughs> บอกว่าปฏิบัติพกรมฐานมา20ปีเสษ็จไม่มีอะไรคืบหน้า ก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าการปฏิบัติของท่านปฏิบัติแบบไหนการจะเป็นพระอริยะหรือว่าการตัดกิเลสจะเป็นพระอริยะต้องตักกิเลสสิบอย่างเพื่อตักกิเลสเพื่อความเป็นพระอริยะมีสิบอย่างถ้าเรียกว่าสัญญศ์คําว่าสัญญศ์แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องรอยรัต มันรัดใจจนทั้งเราต้องเบียนไหวตายเกิดในวัฏฏะมีสิบอย่างด้วยกันคือหนึ่งสกายทิฐิสองวิจิกิจชาสามธิรปรตปปารมาตสามข้อนี่เป็นปะโสดาบันก็ได้เป็นพระสิกาคามีก็ได้ <c oughs> แล้วก็สี่กามฉันทะห้าปริฆะสองข้อหลังนี่ ต่อมาต้องได้หนึ่งสองสามด้วยนะได้หนึ่งสองสามาต่อสามสี่ห้าถ้าได้สามสี่ห้ามานี่ก็จะได้เป็นพระอนาคามีต่อไปแค่เป็นพระอรหันต์ก็หกรูปราคะเจ็ดอรูปราคะแปดันลนะเก้าวิชาเก้า ว, วิชาลิธิ ขอโทษมันเถอะเฝื todos, ่อเมียงสีมาน่ะหนึ่งร enfin. ูปราคะสองอรูปราคะสามมานะสีอุตจัห้าวิชาที่พูดอยู่นี่กำลังป่วยก็คงจะเิดเผลอไปบ้างผิดไปบ้างเป็นของธรรมดาเสียงก็ยังไม่ลงตัวกระแัมเอ็มไอก็ขอนำสังโยชน์มาพูดกันคำว่า สกายทิทิในระโสดาบันสกายทิฐินี่จริงๆเป็นตัวกิเลสที่ตัดโดยเฉพาะตามที่ภาษาดิบุตรท่านแนะนำพระสงฆ์ที่พระสงฆ์เป็นลาพระพุทธเจา้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงให้เป็นลาภาษาดิบุตรเพื่อจะเข้าป่าพระได้ถามภาษาดิบุตรว่าพวกผมเป็นปุถุชน ถ้าต้องการปฏิบัติให้เป็นพระอริยเจ้าเพื่อประสูดาวบัญจะทํำยังไงครับพระสาริบุตรก็บอกว่าเคอจงบับจปฏิบัติตามนี้คือมีความรู้สึกว่าร่างกายขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าบริการนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <S <S <S ถ้าเธอคิดอย่างนี้ได้อันดับตำ่ำมีความทรงตัวดักตำ่ำเธอก็เป็นประโสดาบันคระก็ถามต่อไปว่าถ้าพวกผมเป็นประโสดาบันแล้วต้องการเป็นพระสิกขาคามีจะมีความรู้สึกยังไง <c oughs> ต้องปฏิบัติแบบไหนพระสารีบุตรก็บอกว่าข้อเดียวนั่นแหละ ถ้าเธอมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตองเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตละเอียดลงปัญญาเกิดมากขึ้นเธอก็เป็นพระสิ่ทาคามีถ้าก็ถามว่าถ้าผมเป็นพระสิ่ธาคามีแล้วต้องการเป็นพระนาคามีจะทำยังไงถ้าเราบอกเหมือนกันจะทำยังไงเธอบอกข้อเดียวกันก็รวงความว่าให้พิจารณาขันห้า ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราวันนี้ถ้าพูดเลยไปก็ขอโทษมันป่วย <c oughs> ป่วยแล้วคอไม่ดี <c oughs> แล้วก็บรรดาท่านทั้งหลายฟังข้อนี้แล้วท่านอาจจะคิดว่าความเป็นพระเดยเจ้านี่เป็นของไม่ยากแต่ความจริงมันก็ไม่ยาก แต่ว่าทั้งนี้จะนนึกว่าคนพูดเป็นพระอริยเจ้าไปด้วยก็แล้วกันว่ากันตามตําราของท่านไม่ยากจริงๆท่นนี้เพื่อความเข้าใจง่ายไปกว่านั้นขวนกลับมาจับอารมณ์ของมระโสดาบันใหม่ว่าคนที่จะเป็นมระโสดาบันจริงๆจะมีอารมณ์เยือกเย็นจริง ๆ, ๆสามารถตักกิเลสได้อจะทำยังไง ก็ต้องไปดูมารีจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวระโสดาบันก็ดีพระสิกธาคามีก็ดีั้งสองรายการนี้มีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีมีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแล้มีศีลบริสุทธิ์ <c oughs> ถ้าว่ากันถึงตามนี้ เห็นว่าประสดาบันเป็นไม่ยากนักแต่บอกว่าใช้สมาธิไม่มากไม่ต้องนั่งเครียดมีสมาธิเล็กน้อยขั้นปฐมฌานก็พอ <c oughs> แล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยไม่มากนักคําว่าปัญญาเล็กน้อยนมีความสําคัญต้องหวนกลับมาว่าปัญญาเล็กน้อยมีความโล ก, มมกสิลอย่างไงโดยเฉพาะอย่างกกายิ่งสกาญทติฐิมีความสําคัญมาก สกายทดิธิติเป็นแปลว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> ตอนนี้ก็่าตั้งจุดแค่เล็กๆอันดับแรกที่เราจะทำแรกที่สุดหาทางรู้จักหน้านิวรณ์ห้าประการซิก่อนว่านิวรณ์ห้าประการมีอะไรบ้าง อย่าให้มันโกนใจตลอดวันยังไงยังไงมันก็โกนใจแน่ขั้นเป็นโสดาฟีทาคานาคาเนลิกที่วนไม่พ้นก็ก็หาทางยับยั้งมันวิธีหาทางยับยั้งก็คือว่าไม่ต้องรู้จักหน้ามันเลยใช้เวลาไปเดียวเดียวสักครู่เดียวนั่นคือว่าอันดับแรก ก่อนจะทำอะไรทั้งหมดหมดนี้มีความต้องคันนะจิตนึกถึงพรมีหารสี่ก่อนทางที่ดีแล้วก็ผลืมตาขึ้นมาเอาจิตเข้าไปตั้งไว้ในพรมิหารสี่ก่อนพรมิหารสี่นี้ถ้าท่านมีกันแล้วนะเป็นไปจสทานก็ดีสิงก็ดีภาวนานก็ตามทรงตัวหมด การแตะกิเลสก็เป็นของง่ายเ <c oughs> พอมีฐานสี่มีอะไรบ้างคือหนึ่งเมตตาความรักมีความรู้สึกว่าจา ก, การตื่นนอนก็ตั้งใจเลยทีเดียวว่าวันนี้เราจะรักตัวเดียวคำว่าเกลียดไม่มีในใจของเราเราจะมีความรักในตัวเราเองด้วย มีความรักในบุคคลอื่นด้วยมีความรักในสัตว์ด้วยมีความรักในวตัตถุด้วยความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกามารมุมหมายถึงเมตตาตั ว, ต, วตัวรักในฐานะเป็นเพื่อนในฐานะเป็นมิตรที่ดีก็ ร, รักตัวเราคือเราไม่ทำลายตัวเรา เรารักคนอื่นคือเราไม่ทำไม่ไม่ทาลายคนอื่นเรารักสัตว์เราไม่ทำลายสัตว์เรารักวัตถุเราไม่ทำลายวัตถุทำจิตรักเป็นอันดับแรกว่าเราจะเป็นมิตรดีท้าคนรักคนทั้งโลก ร, รักสักรักสัตว์ทั้งโลกเหมือนกันรักวัตถุที่เขาใช่ของใช้ของหงัวแห่งของแต่ละคนของเราก็ดีของคนอื่นคนดีเราจะรัก ไม่ทำลายไม่ยื้อแย่งของเขาตั้งใจตามนี้นะครับเช้ามืดเริ่มตอนนี้เลยถ้าต่อมารมนี้ก็ทรงตัวดีแล้ว <c oughs> แล้วเราก็คิดว่าความรักก็ดีกดสี่ข้อก็าตามจะไปจำใจเราต้องแต่ตื่นจนก่อนจะหลับข้อที่สองก็รมสงสาร เราไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายร่างกายเราไม่ทำร้ายาคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ทำร้ายวัตถุไม่ทำอันตรายกับเขาเพราะความสงสารมีความตัดหนาจะเกื้อกูลให้ทุกคนมีความสุขเห็นใครมีทุกข์อยากจะให้มีสุขถ้าช่วยได้ไม่เคยมีิสัยเราจะช่วย ถ้าต่อมากมุตตาจิตอ่อนโยนไม่ช้าทิ่สยาไขเห็นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยตั้งใจไว้ตามนี้อย่าไปแย่งความดีของเขาเขาทำความดีแบบไหนแล้วตั้งใจทำแบบนั้นเพื่อมีความดีเสมอเขาจะดีกว่าเขาแต่ว่าอย่าให้เป็นมณทิฐิ ว่าเธอทำได้ดีแค่นี้นะหรือฉันทำให้ดีกว่ากลายเป็นมณฑทิฏฐิไม่ถูกต้องอย่างนี้ผิดแปงบายภามรมกิดหมองต้องคิดว่าความดีมีอยู่เราต้องทำความดีอย่างเขาแต่บังเอิญจะดีกว่าเขาได้ก็เป็นความปลื้มใจของเราไม่เหยีดยามเขาข้อที่สี่อุบเบกขาวางเฉย มันหมายความทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้จะเป็นคนก็ตามใส่ ก, ก็ตามเราจะไม่ซ้าเติมเราจะช่วยเขามีความสุขถ้าเกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราก็เฉยไว้ก่อนไม่ซ้าเติมเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือ <c oughs> อารมอย่างนี้ต้องไปจำใจของทุกท่าน ตั้งแต่ลืมตาใหม่ๆจึงกว่าจะหลับตานอนหลับไปเลยนี่เป็นอันดับที่หนึ่งที่เราจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าและก็อันดับนี้คือประวิหารสีน่นี้และการกั้นนิวรเราจะทรงตลอดไปมันก็เผลอบงังอะไรบ้างเป็นของธรรมดาใหม่ๆแต่ถ้าเป็นพระอริยะจริงๆไม่มีคำว่าเผลอ พอ ม, มิหันสีนี้พระอริยเจ้าไม่เผลอยิ่งเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงขึ้นไปพอ ม, มิหันสียิ่งหนักต้องเป็นประจำใจเพื่อประโยชน์ในความเป็นพระนาคามมีพระหราน <c oughs> ต่อมาก็อารมณ์ที่ต้องการจริ ง, รงๆก็อาณาปานุสติการรู้ลมให้ใจเขาออก พอตื่นนอนพับจับลมหายใจเข้าออกเต็มทีพร้อมกระคิดถึงเรื่องพ ม, มีหรัรศีลรูงลมหายใจเข้าออกที่มีความสําคัญมากสติสมัมปชัญญะจะส่งความดีจะส่งตัวก็ลมหายใจเข้าออกจิตใจจะมีความเยือกเย็น เ, เพราะพ ม, มีหันศีลอย่าลืมว่าพระอริยเจ้ามีอารมณ์เยือกเย็นถ้าประสูตรดาบันก็มีขั้นสามขั้น ส ต, ตักตองเ อ, เอโกลังโกละเอกวิชี <c oughs> มีความเย็นเหนือขึ้นไปตามดับพระสกิทาคามีก็เย็นกว่าพระโสดาบันอาณาคามีก็เย็นกับพระพระสกิทาคามีอรหัน์เย็นที่สุดกลัวความวาเราต้องมีจิตเยือกเย็นอารมณ์เยือกเย็นจะมีได้เพราะพระมิหารสี่ พมมีฐานสี่จะทรงตัวด้วก็อนาพราะอนาปานุสติจะไม่ดีเมื่อทรงอนาปานุสติแล้วจิตเราก็ยอมรับนับถือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุท ธ, ธานุสตินึกถึงพระธรรมในความเคารพเคารพต่อกันทั้งหมดนะเป็นธรรมานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ในความเคารพเป็นสังฆานุสติ อย่างนี้เป็นวิจิกิจฉาตัดสงสัยมาถึงเรื่องส ก, กายยะติทิทังด้านร่างกายเขอย้อนกลับนิดหนึ่งส ก, กายยะติเห็นวร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอย่างนี้กําลังจะหนักเกินไปสําหรับพระโสดาบันอารมณ์อย่างนี้แต่ทรงตัวละเอียดจริงๆต้องเป็นพระอรหรันต์ แต่ความมีสู่ามรู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต้องมีการทรงตัวถ้าอยากคิดให้ง่ายลงมาเพราะว่าท่านบอกว่าใช้ปัญญาเล็กน้อยพระโสดาบันกับสกิทาคามีถ้าเป็นล่อขนาดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเข้าจะกรุ่งแต่ว่าทําคล่องตัวก็ดีถ้าทําถนัดคนทํานีมีความสมําคัญมากถ้ากําลังจิตยังอ่อนก็คิดตามนี้ เว่าร่างกายมันเป็นอนอิจังหาความเที่ยงไม่ได้มีความเสื่อมเป็นปกติไห้ดึงความเสื่อมเป็นงไงหาเองก็แล้วกันนะญาติบายเลยมิจะเกินจะเกินพอดีไปการไม่รู้ว่าตัวแก่ไม่รู้ร่างกายสุดโทมนี่ก็ไม่ควรจะเข้ามาเป็นพระอริยเจ้าไม่ต้องปฏิบัติกับเขาเวียนไหว้ใจเกิดไปตามเรื่องก็แล้วกัน ร่างกายมันเกิดมาแล้วก็มีความเสื่อมจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตายนี่มันไม่เที่ยงขนาที่ทรงร่างกายอยู่ก็เป็นทุกข์ทุกข์อะไรบ้างย้อนกลับอนุสติฟังอนุสติแถ้าในที่สุดก็เป็นอนัตตาคือสลายตัวไหวไหม ถ้ายัางคิดไม่ไหวใช้ต่ำกบไว้นิดหนึ่งเป็นพระโสดาบันขั้นต้นคือสัจธรรมตัมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายตายกับนัก ต, ตายนี่มันตัวเดียวกันอาจจะมีบางคนบอกคำว่าตายนี่บรรณานุสติเป็นสมถาภาวนาก็ต้องขอต่อว่าถ้าไม่โง่สิอย่างมันก็เหมือนกัน ตายก็สลายตัวอ น, นัตตาก็เหมือนกันเน่ยอนัตตาก็คือตายตายก็ค่อยย่อยไปเมื่อที่สุดก็หายไปมันก็เหมือนกันอย่าติดสับมากเกินไปใช้ปัญญาด้วยปัญญามีคุณอยู่คนรจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์รู้จักใช้จะเบาให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายก็ได้แต่นิจังทุกขังอ น, นัตตาก็ได้ ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็ได้อห้นึกต็ตามชอบมีความรู้สึกอย่างนี้แต่ตอนเช้ามดต่อที่ไปก็ยึดอารมณ์ให้มันแน่นอนเอาจริงจังยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆและอย่าปล่อยนะนึกแต่เช้าให้ยันหลับล้วต่อไปก็มานั่งดูศีล สินห้าก็ดีก็หมดสิบก็ดีเราครบพุ่นไหมพระโสดาบันนี่จะมีแต่ศินห้าไม่ได้สังเกต ด, ดูปากปากพระโสดาบันไม่ใช่ปากชั่วเป็นปากดีได้เห็นว่าธนาราติวินกาเศรษฐีก็ดีน้องวิสาขาก็ดีทุกท่านเอาตามที่เป็นพระโสดาบันท่านท่านรักษาปากได้ก็หนดสิบปากดีไม่ใช่ปากเลว ไ่ปากเร็วนี่ถือว่าปากหมาก็ไม่ได้มันปากเร็วก็ปากหมาเพราะหมาด่าคนคนไม่รู้เรื่องไม่กลุ้มถ้าคนด่าคนเนี่คนมันรู้เรื่องไม่กลุ้มในด้านปากก็คือว่าหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคําหยาบสามไม่นินทายชาวบ้านคือส่อเสรก็แต่เล่ากันสี่ไม่เพ้อเจ้อหลงไหลไม่เพ้อเจ้อเหลวไหล เนี่ทางวาจาทางใจก็ไม่ไม่นึกอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของใครมาครอบครองโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็ทางแล้วก็ไม่ไม่โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครมข้อหนึ่งนะข้อที่สองไม่คิดประทุษร้ายใครคือความโกรธยังมีอยู่แต่การจองล้างจองผันไม่มีแล้วข้อที่สามทางใจ ไม่มีความเห็นไม่คันคําสอนของพระพุทธเจ้าทีฏวัตย์ทิฏว่าสัมมาทิฏฐิคือพระพุทธเจ้าตัดหมายใช้ปัญญาพิจารณาตามและปฏิบัติตามด้วยในที่สุดก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าตัดถูกมีความสุขหลังจากนั้นธนักปฏิบัตินิยมอันคร บ, ค ร, บ, ค ร, บระนาคระโสดาบันขอย่อยครั้งหนึ่งอันดับแรกหนึ่งตั้งอารมณ์ไว้ ในด้านกาันเอาอากาันเรียกว่ากันนิวรณ์ห้าปาระการนิวรณ์ห้าประการในกันได้โชคราวประเดี๋ยวเดีย ว, ยวแล้วก็เข้ามาทับใหม่ก็ช่างมันมันเผลอแล้วก็เอาใหม่ประการที่สองทรงพรมีหารสี่ประการที่สามเหวล่างกายนี้ตายเือร่างกายเป็นนิจังทุกขังหน้าตา ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่คนเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสามอย่างในอย่างใดอย่างหนึง่งใช้ได้และปฏิการต่อไปยอมรับพระผีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นิตัดวิจิจฉาร่างกายตัดสกายยะทิฐิเบื้องต้นและก็ต่อมารักษาสินห้ากำหนดสิอกำหนดสิบก็ได้หนึ่งแค่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดปณิการ อาศินห้าเข้มาบวกไม่ดึงสุราด้มยไรไม่พูดปดไม่พูดกัมหยากไม่พูดนินทาชาวบ้านไม่เพ้อเจ้อเหลวไหลไรประโยชน์แล้วก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครไม่คิดจองล้างจองผายใครมีความเห็นตรงที่พูดเจ้าทรงสอนไม่ฝืนอย่างนี้เป็นครบองค์ของมรโสดารบันกับสกิทาคามีคือตัดสังโยตสามได้ แต่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นทนักปฏิบัติต้องสังเกตตามนี้ขณะที่ทำไปขณะใดที่จิตทรงสมาธิหรือว่าจิตทรงอารมณ์ตัวเองทรงทรงตัวเวลาที่ปฏิบัติอยู่ไม่ตอนต้นอารมณ์จากพระนิพพานรู้สึกว่ามันยากการนึกถึงวันนิพพานเป็นจรืนๆของยาก แต่ว่าพอจิตเข้ามาถึงใกล้ก่บความปเป็นประสูดาบันถ้าเรียกว่าโคตรคุยานในตอนนี้บรรดาท่านทั้งหลายจิตจะรักนิพพานเป็นกรณีพิเศษจิตมีความต้องการอย่างเดียวคือนิพพานอย่างอื่นความต้องการของเราไม่มี เมื่อจิตมีความโง่เหนียวนิพานเป็นอารมณ์เป็นโมติอย่างนี้ท่านเรียกว่าโคตรภูญานคือจะถึงความเป็นมรโสดาบันเป็นชนระหว่างต่อมาถ้าจิตเรื่องกันถึงความเป็นมรโสดาบันจริงๆตอนนี้อารมณ์ธรรมดาจะเกิดคําว่าธรรมดาสมัยความในตอนก่อนอย่างนี้ความรุนแรงของจิตยังมีอยู่ ยกตัวอย่างเฉพาะโทสะสเกตง่ายใครพูดอะไรมาไม่ถูกใจอาจจะโกรธอาจจะฉุนเฉียวง่ายแต่ว่าพอถึงแต่ควาเมเป็นระโสดาบันมันเกิดขึ้นอารมณ์ธรรมดาย่อมเข้ามาถึงใจง่ายขึ้นนั่นก็คือใครเขาดา่าใครเขาว่าเขานินทา อย่าลืมว่าปะโสดาบันยังรู้สึกโกรธพระสกิทาคามีก็ยัรู้สึกโกรธแต่ความโรกรธของระโสดาบันไม่รุนแรงเท่าปุถุชนความไม่พอใจพระสกิทาคามีมีนิดหน่อยน้อยกว่าระโสดาบันมากก็ะโดงความว่าปะโสดาบันยังมีความโกรธแต่ความโรกรธของท่านมันเบา แค่พับเดียวก็หายไปการจองล้างจองผ่านจองเวนจองกรรมจะแก้มือไม่มีในมโนดาบันฉะนั้นคนที่จะเป็นมโนด่าบันได้ต้องคิดตามนี้นะนี่ตัธรรมดาคือความธรรมดาเกิดขึ้นไม่บางขณะรู้สึกโกรธบ้างแต่มันหายเร็วที่ว่าเรื่องการถูกดา่าถูกว่าถูกเย็นทายเป็นของธรรมดา ความอยากรวยมีในประสูดาบันแต่ว่าการอยากรวยก็ไม่ไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อย่างไม่คดโกงไข่ <c oughs> ทำมาหากินกันรวยดูตัวอย่างนาวิสาขาเอถ้านาดิพิงกาเสถีสองคนนีรวยมากแต่ก็ยังทำมาหากินอยู่ยังมีคนงานท่านท่านนักปฏิบัติก็อย่าอย่าเมาเกินไป จงอย่าคิดว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วไม่ต้องธรรมาหากินอย่างนี้อดตาย <c oughs> ยังไม่เต็มขั้นยังต้องธรรมาหากินแต่ธรรมาหากินในความซื่อสัตย์สุจริตสิ่งใดต้องจ่ายก็จ่ายสิ่งใดคนรับก็รับจ่ายคือค่าแรงงานก็ดีค่าวัตถุ ก, ก่อสร้างค่าวัตถุธรรมาหากินพืชต่างๆก็ตามและการค้าก็ตามเราเสียก่อนเรก็จ่ายตามปกติ ไม่เบียดไม่บังไม่คดไม่โกงใครอย่างนี้เป็นอรมณ์ปโสดาบันตอนนี้ปะโสดาบันกับพระสีฐานธรมี <c oughs> ยังไม่จำกัดเขตนี่ก็หมายความว่าโสดาบันยังมีความรักในระหว่างเพศนี่คนที่มีความรักในระหว่างเพศจะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่ได้แน่ เพราะร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ความรักมันก็ไม่มี <c oughs> ความรักในระหว่างเพศมันก็ไม่มีนี่ยังมีอยู่อย่างนางวิสาขาท่านเป็นวสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีพอายุที่หกปีท่านก็แต่งงานพันยาข้อมของกุตมิตรเป็นลูกของมาหาเศรษฐี เพียงแค่อายุสิบกปี <c oughs> เห็นในพานมาขายเนื้อเป็นคู่เก่าในชาติก่อนเกิดมีความรักนั่นไม่ใช่ผู้ชายพาผู้หญิงผู้หญิงไปดักทางผู้ชายไปมีสามีที่ความเป็นมหาเศรษฐีความจริงคขา่าโสดาบันยังเป็นอย่างนี้ก็จะไปด่า ก, กัน กระองความมรรส์ดาบันยังมีการแต่งงานพระสิทธาคา ม, มีก็เหมือนกันคนที่แต่งงานแล้วก็ไม่ต้องเลิกการแต่งงานไม่ต้องพักผ่อนอยู่ในฐานะสามีพัญญาไปตามปกติคนที่ยังไม่เป็นไม่มีสามีไม่มีปัญญาก็แต่งงานได้แต่ว่าจิตใจในครอบครัวมันเยือกเย็นมีความรักเฉพาะคู่ตัวผัวเมีย ไม่นอกใจซึ่งกันและกันเกิด ค, ความสุขได้ตรุ่ความว่าปโสดาบันยังมีความรักยังมีความอยากรวยจะต้องไม่เรียกว่าโลภถ้าโลภมันอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นแต่อยากรวยไม่ใชไม่ชินโลภคือทำมาให้กินให้มันรวยพระโสดาบันยังมีความโกรธปโสดายังมีความหลงพระยังมีการแต่งตัวให้สวย อย่างรักคนอื่นอย่างนี้ไม่เลี่ยงหลงไม่ได้แต่ก็อยู่ในขอบเขตของธรรมะหรืในขอบเขตของศีลรวมความไี่อยู่ในขอบเขตของศีลและวก็หมดสิทธิ์รวมความว่าท่านหลา ย, ลายวันนี้แล้วก็พูดจบแค่วาโสดาบันตอนนี้ตอนที่หนึ่งถ้าเณ็นน ว, า, วาโสดาบันนี้ควบพระสิกิทาคามี ถ้าเป็นปะโสดาบันเบื้องต้นความรุนแรงของจิตมีนิดหน่อยความโกรธมีอาจจะแรงแต่หายเร็วความอยากได้มีแต่แรงหายเร็วพระปัศดาบันขนาดโกลังโกละเบาลงไปไถเอกับวิชีปัศวดาบันละเอียดความรักความรู้ความโกรธความหลงมันมีเหมือนกันแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยเกิด คนที่อยู่ระหว่างคู่ตัวพ่อเมียกับระหว่างสามีปัญญาจะเฉยต่อกันมากแค่ได้ความรักพอถึงพระสิกขาคารมีละเอียดสังเกตไว้ด้วยตอนนี้เอาสองอย่างติดกันไปพอถึงพระสิกขาคารมีละเอียดให้สังเกตตัวว่าอารมณ์ของเราจริงๆมันเฉยหมดความรักในระหว่างเพศมันก็เฉย ความอยากรวยมันก็เฉยความโกรธมันก็เฉยความหลงมันก็เฉยมันเฉยชืดชืดไม่มีความรู้สึกในเรื่องนี้ทั้งหมดแต่ว่าในขณะบางครั้งบางครั้งจะแสดงอารมณ์ออกบางครั้งซึ่งไม่มีอะไรสัมผัสกันต่อหน้าเนีไม่มีความรู้สึกต่างความรักเรื่องวัตถุทั้งหลายจะดีแสนดีขนาดไหนเป็นเพชรเป็นทองเป็นพลอยก็ตาม เจอเข้าไม่มีความไม่มีความรู้สึกแต่ถ้าว่าบางทีอารมณ์สงัดมันโผล่หน้าขึ้นมานิดหนึ่งทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีวัตถุก็จันหน้ากันมันมีความรู้สึกความรักนี่อาจจะดีเนาะนึกถึงคนนั้นนิดนึกถึงนี่หน่อยมันจะตั้งอยู่เวลาอย่างนานไม่เกินสองนาทีก็สลายตัวไปแต่ความจริงแล้วมันไม่เกินหนึ่งวินาที ให้เวลามากๆเพราะไม่เกินสองทีก็สลายตัวไปจิตก็มีความเยือกเย็นตามปกติฉะนั้นพระสทธาคามีในระหว่างที่อยู่กับสามีพัญญาก็คงจะอยู่กันอย่างคนอยู่กับพรพุธรูปเรือคนอยู่กับทุกขตาประโยชน์ในการความรักระหว่างเพศมันไม่มีเลยเกิดขึ้นมาไม่ได้อารมณ์นี้เคยมีคน เคยมีคนมาบ่นว่าความรู้สึกเป็นอย่างนี้แต่พัญญาเขาต้องการอนี้ก็เป็นเรื่รมธรรมดาที่เรามีพัญญาเขาต้องเป็นอย่างนั้นทางที่ดีก็หาคนใหม่ให้เขาก็แล้วกันเราไม่ไหวก็กระโรมความวันนี้ก็พูดกันจบแค่พระโสดาบันเกษกิทาคามีเวลามันก็เหลือไม่ถึงครึ่งนาทีก็ขอลากรขอความศักดิ์สิิีพัฒนมำงคลคสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี